ขอโมทนากับเราทั้งหลายตั้งใจในการฟังพระธรรมคําำคำสอนของพระผู้มีพรภาคเจ้านี่ <Yeah. S 1> เออในครั้งนี้เราศึกษาในวันพุธเนี่ยเนี่ยในวันวันอังคารเนี่ยเนี่ยวันอังคารวันองคารที่เท่าไหร่ yeah. อังคาร21่ธันวา <Yeah. S 1> วันนี้ก็ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้นีศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐานสูตร โดยเดินตามมาชิมาทิกายมูระันนาธแล้วก็เอาในทีคณิกายนะมหาวักมาด้วยมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติปัฏฐานที่มาขยายความนะทีนี้ในชั้นของคําสอนของพระบรมศาลาเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ต้องสืบค้นคําสอนให้ชัดนะในชั้นของคําสอนของภาษาศาสดาที่พระองค์ตรัสเอาไว้เนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่า การตั้งหลักในชั้นของคำสอนของพระาศาสดาที่พระาศาสดาตรัสไว้ว่าลักษณะของที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นุตตสัมมาสัมโพธิญาณมานั้นน่ท่านบอกว่าในเสียสงไข่แสนกับที่ทลายตามลำดับมานี่พระาศาสดาตรัสบอกว่า เมื่อเสียสงไข่ยิ่งด้วยแสนมหากรัปมีพระนครชื่อว่าอมรวดีเป็นนครน่าชมน่าเลื่นลมประกอบด้วยข้าวน้ำที่สมบูรณ์ไม่ว่างเว้นจากเสียงสิบประการดังเป็นเป็นต้นก็คือเสียงช้างเสียงม้าเสียงกลองเสียงสังเสียงรถเสียงพินแล้วก็เสียงตะโพนเสียงหอรดานเสียงบรรดาะเสียงเรียกมาบริโภคอาหารพวกท่านจงดื่มจงกินอย่างนี้เป็นต้นพระศาสดาเล่าว่า อดีตของท่านเราเป็นพรามีน้ำวัาสุเมธะในอมรวดีมีทรัพย์หลายร้อยหลายพันโกรธมีสมบัติและข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนทรงพระเวทถึงฝั่งเห็นใยเพศเป็นผู้สำเร็จวิชาไทยลักษณะคำพีปุราณนะในครั้งนั้นเรานั่งอยู่ที่รับดำหลว่าขึ้นเชื่อว่าการเกิดในพบใหม่เป็นทุกข์การลายไปของร่างกายเป็นต้นก็เป็นทุกข์การตายด้วยการหลง คือตายด้วยโมหะจิตนี่เป็นทุกข์มากเพราะธรรมชาติของโมหะนี่เป็นธรรมชาติของความมืดบอดก็คือความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงแห่งจิตซึ่งสภาพที่จิตดวงตาคือปัญญานั้นบอดสนิทบอกว่าสภาพที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าสัตว์ทั้งหลายตายเพราะความมืดความบอดแห่งจิตแล้วเนี่ยเป็นความทุกข์มากสัตว์ทั้งหลาย หรือเราท่านทั้งหลายที่ท่องท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยเพราะเราตายด้วยการเปิดดวงตาคือยานปัญญาทํายานปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะกระชากความบอดความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงแห่งจิตหรือสภาพจิตดวงตาคือปัญญาบอดออกมาไม่ได้สภาพของโมหะคือสภาพธรรมที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงกิจราศาสตร์ของโมหะก็คือความสภาพที่ปิดบังความจริงของอารมณ์ ถ้าิตนั้นเขาทำสมบูรณ์แล้วก็คือความสมบูรณ์ความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงในรมเกิดขึ้นอาการปรากฏของโมหะก็คือสภาพที่สามารถทำผลคือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเกิดขึ้นสภาพทำที่ตรงกันข้ามกับการปฏิบัติที่ดีสัตทั้งหลายเมื่อมีความมืดบอดในดวงตาของจิตท่านบอกว่าการตายด้วยความหลงก็หมายความว่าการตายด้วยการดึงโมหะอาวิชาออกจากจิตไม่ได้นะ จะประสบชาติทุกชะลาทุกขพยาธิทุกข์มรณะทุกข์จะประสบความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายและไม่สบายใจและจะประสบความคับแค้นใจแน่นอนโดยเฉพาะพบทั้งหลายที่เราจะต้องท่องเ ท, ที่ยวไปพรากโมหานี่นะเป็นตัวปิดแล้วเนะี่ยทำให้เราได้ข้อปฏิบัติที่ไม่ดีปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นที่ได้ข้อปฏิบัติไม่ดีไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมาจากการที่โมหะปิดกระแสจใจของสัตว์ เมื่อโมหะปิดกระแสใจของสัตว์แล้วเนี่ยความมืดบอดในใจเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยให้สัตว์นั้นเน่ยเคลื่อนไหวหกายออกมาก็เป็นกายยะทุจริตเปล่งวาจาออกมาก็เป็นวาจีทุจริตคิดนึกเรื่องราวต่างๆก็เป็นมโนโ ท, ทุจริตทุจริตสามสัตว์ทั้งหลายไม่ควรได้แต่ก็ต้องได้ไม่ควรประสบก็ต้องประสบแต่กายยสุจริตวาจีสุจริตและมโนสุจริตนั้นสัตว์ทั้งหลายควรจะได้ควรจะถึงแต่ก็ไม่ได้อะไรปิดโมหะนั่นแหละปิด เมื่อโมหะทำกิจสมบูรณ์แล้วเนี่ยอาการปรากฏก็ได้เห็นกันแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นน่ยก็กระทํากายกรรมวิจิกรรมและมโนกรรมที่ไม่เหมาะสมเหตุที่ไม่เหมาะสมนี่เพราะว่าสภาพที่ดวงตาคือปัญญาบอดสนิทแล้วเหตุใกล้ของโมหะก็คือการใส่ใจผิดนั่นเองการใส่ใจในวรวมที่ว่าเที่ยงบางที่สุขบ้างที่เป็นอัตตาตัวตนว่าที่งามเป็นต้นบ้าง ฉะนั้นภสภาวะที่มืดบอดสนิทของดวงจิตที่มีโมหะปกปิดนี่แหละเป็นปัจจัยให้หลงก็เป็นทุกข์ท่านบอกว่าเมื่อถูกโมหะปิดทําให้ประสบชาติทุกข์คือการเกิดแล้วสัตว์ตั้งหลายให้เกิดมาก็ถูกชะลา ย, าย่ํายีก็เป็นทุกข์ถูกพยาธิ ย, ย่ํายีก็เป็นทุกข์ถูกมรณะหําหันก็เป็นทุกข์ถูกความโศกความร่ำไรลําพันธุ์เป็นต้นเหล่านี้ ย, ย่ำยีห้าหันสัตว์นั้นก็ประสบกับความ เจ็บปวดนะในกระแสของชีวิตนี่ไงฉันตัวโมหะนี่แหละพระศ า, าสดาก็เลยบอกว่าตอนนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์นี่แหละที่ท่านใช้คำว่าชาติดัมโมชาาดัมโมบายาดิดัมโมสหังตาดาอาชารังอมตังเคมังปริเยสิสมินิพุติงบอกว่า ในการนั้นเรามีปกติมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความป่วยไข้เป็นนิดเป็นธรรมดาเราจะแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนกเกษมท่านก็เลยบอกชะไหนเนาะเราบึงเป็นผู้ไม่เหลียวแลต้องการสลากายที่เน่าเปืนน่อยนี้อันเต็มไปด้วยซากศพต่างๆแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมที่กล่ า, าวเมื่อวานนี้ที่ท่านใช้คําว่า ยังหนูมีตังปูติกายยังนานาคุณาปรุริตังชัทธยิตวานาคเชยยังอนาเปโค อ, อนาทิกโกฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้ไม่เหลียวแลไม่ติดข้องในกายที่เน่าเปื่อยนี้ รู ป, ปรกายที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเป็นของเน่าเป็นของเปลื่อยเป็นของเหม็นเป็นของที่ประกอบไปด้วยความโศโครกนานะประการ น, นะท่านบอกว่าสไนน์นาท่านถึงจะไม่เหลียวแลด้วยตัณหามานะทิฐิในกายที่เปลื่อยเน่าจะสละกายที่เปื่อยเน่านี้อันเต็มไปด้วยซากสัตว์ซากศพต่างๆใช่ไหมในขันในรูปประขันของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีสัตว์ตั้ง80ตระกูลเนะ ต้องเป็น8ดหมื่นตระกูลเนี่ยที่ประชมุมอยู่ในกาเลวะที่เน่าเปื่อยเนี่ยมันก็มาซื้อพันธ์มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันเนี่ยฉะนั้นในกระกจักายนี้เต็มไปด้วยซากศพต่างๆใช่ั้ยและในขณะเดียวกันสัตว์ทั้งหลายก็นำเอาซากสัตว์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในร่างกายเพื่อจะเลี้ยงดูรูประกายนี้ให้ทรงตัวหรือเคลื่อนไหวเป็นไปได้เพื่อประกอบกิจตามใจปรารถนาของสัตว์ สัตว์ทั้งหลายก็เลยเต็มไปด้วยการที่ว่ามาหําหันมากัดมากินกันอยู่นี่แหละตราบใดถ้ายังเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่แล้วก็ไปเกิดใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาห้าหันมาปัสสาวะไล่มาเบียดเบียนซึ่งการและการเนี่ยท่านคิดอย่างนี้เบียดเสรท่านก็บอกว่าทางหลุดพ้นมีอยู่เป็นแน่จากมีเป็นแน่แท้มิอาจที่จะไม่มีเราจะแสวงหาความหลุดพ้นที่จะพ้นไปจากภพเมื่อทุกมีอยู่สุขก็ต้องมีแม้ชั้นใดเมื่อ พบมีอยู่ความสิ้นพบก็ต้องมีแม้ฉันนั้นท่านก็พิจารณาเป็นไปตามลำดับเมื่อบุคคลถูกโรคท่านถึงบอกว่าเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่บุคคลผู้ถูกกิเลสรุมเร้าคือราคาโทสาโมหาเนี่ยก้มรุมแล้วไม่สแสวงหาทางนั้นไม่ใช่ความผิดของทางนะ้นั่นไม่ใช่ความผิดของทางนะบุคคลผู้ป่วยไขย้ที่ท่านใช้คําว่ายาทาปิบยาทิตโตปุริโส เวชมาเนติกิชเกนาติกิจชาเปติตังพยาทิงนาโทโซโซติกาชเกบุคคลที่ป่วยไข้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเจ็บปวดเพราะการป่วยไข้นะเรานี่มีโรคสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ป่วยพระโพธิสัตว์ท่านคิดได้ว่าท่านเป็นผู้ป่วย นั้นเมื่อความป่วยไข้มีอยู่หมอมีอยู่นแต่ไม่ไปเยียวยารักษาจะไปโทษหมอไม่ได้แม้ฉันใดท่านถึงใช้คำว่าเอวังกิเลรับยยทิหีทุกิโตปะริปิริโตนาคาเวสติตังอาจริยังนาโทโซโซวินายเกบอกว่า บุคคลที่ถูกทุกคือชาติททุกชราทุกพยาทิทุกมรณะทุกเป็นต้นถูกโรคคือกิเลสมีราคาโทสะโมหะบีบคั้นแล้วไม่สแสวงหาอาจารย์นั้นไม่ใช่ความผิดของอาจารย์แม้ฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่เหลียวแลวต้องการสลากายที่เน่าอันสะสมได้ซากศพต่างๆนี้ไปเถิดเหมือนบุรุษลังเกียจซากศพที่ผูกไว้ที่คอแล้ว เปลืองออกไปก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีเสรีภาพแล้วจะได้มีอำนาจตามลำพังตนเองแม้ฉะนั้นท่านบอกว่าท่านจะสละกายที่เน่าเปื่อยหรือที่เปื่อยเน่าอันเต็มไปด้วยซากศษต่างๆนี้ไปดุดคน้นทายอุจจาระไว้ในส่วมเหมือนบุรุษหรือสตรีนะถ่ายมูดและคูดไว้ในส่วมแล้วไม่เหลียวแลและก็ไม่ต้องการแล้วก็หลีกหนีไปฉะนั้น ท่านเห็นการารชกายของท่านแล้วนะในเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากรับนั้นบอกว่ากายนะั้นมีช่องอยู่เก้าช่องไหลออกเป็นนิดดูดเจ้าของเรือเก่าที่ค้ำค่าและเหมือนเจ้าของเรือทิ้งเรือที่สุดโสมหักพังแล้วก็มีเหลียวแลดูฉะนั้นลักษณะอย่างนี้พอท่านพิจารณาอย่างนี้เบียเจท่านเห็นกายเป็นมหาโจรดังที่ได้กล่าวเมื่อเราจะท่องเที่ยวกับรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะเราเดินไปกับมหาโจร ท่านกลัวว่าโจรจะดักป้นกุศลของท่านโจรคือมหาโจรคือกายเนี่ยเมื่อตราบใดเรายังคบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในที่สุดจริงๆสิ่งที่เราจะต้องเสียคือทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาแล้วถูกโจรเหล่านี้ป้นไปเกลียบร้อยหมดเบ็ดเสร็จแล้วท่านเห็นว่ารูปกายเป็นต้นเป็นมหาโจรเมื่อท่านเห็นเป็นมหาโจรแล้วท่านจึงไม่อยากจะคบกับกายนี้ต่อไป เหมือนบุรุษทั้งหลายที่เดินทางไปกับมหาโจรต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะแยกจากโจรได้อย่างไรเราจะหนีจากโจรได้อย่างไรแม้ฉันใดพระมหาบุรุษของเราก็ฉันนั้นแหละท่านเริ่มเข้าใจแล้วเมื่อบำเพ็ญบา ร, รมีมาสิบหกสงขายยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยนะเพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาอัธยาศัยก็น้อมอยากจะทิ้งกายอยากจะสละกายที่เน่าเหม็นเน่าเปื่อยนี้ที่เป็นบุรุษมหาโจร น, นี่แหละท่านก็เลยคิดถึงอะไรละ ที่ไม่ไกลแห่งป่าหิมพานมีภูเขาชื่อว่าธรรมิกาบรนพศไงเราจะสร้างอาศรมให้ดีแล้วจะอยู่ในสลาที่มุงนังท่านคิดถึงป่าและแตอนนี้ท่านคิดถึงการหลีกเล้นแม้ไปอยู่ป่าท่านก็ไปพิจารณาว่าเอ๊ะการอยู่ในที่หลีกเล้นที่เทวดาสร้างให้ก็ไม่เหมาะเลยท่านเดกเพราะการอยู่ป่าเป็นกังวลอ ย, อยู่อาศรมเนี่ยเป็นกังวลอีกทําให้เป็นที่ต้องการของคนทั่วๆไปท่านก็สละ อาสมที่เทวดาสร้างให้ขออยู่โคนต้นไม้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแม้นผ้าที่ดีๆท่านก็ไม่เอาท่านเอาเปลือกไม้มันนุ่งมหบมอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าท่านมองเห็นโทษของการใช้เสื้อผ้าที่มันมีโทษนานานประการและเห็นโทษของการใช้ศาลาหรือการอยู่ที่อยู่สะดวกสบายเป็นต้นเหล่านี้ยท่านก็เลยสละทั้งสองอย่างแล้วก็ทิ้งไปนะไม่อะไลอาวรนเนี่ยท่านก็ตั้งความเพียรในการนั่งในการยืนในการเดินจงกรมในที่นั้น ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุกําลังของวิปัสสนาญาณเพื่ออภิญญาภายในสัปดาห์เดียวเองแปลว่าภายในหนึ่งสั ป, ปดาห์ท่านได้บรรลุเลยท่านมีกําลังของวิปัสสนาญาณเป็นตัวหนุนเนื่องด้วยและท่านทำอภิญญาได้ด้วยในส่วนจริงท่านก็ได้อภินญาหทันทีเห็นไหมแล้วท่านก็บอกว่าท่านวันนั้นน่ะท่านมัวเมืมัวเมาในฌานอยู่เพลินน่ะเพลินในฌานอยู่จึงไม่ได้เห็นนิมิตสอย่างก็คือพระองค์อุบัติเกิดขึ้นก็ไม่ทราบ ตอนถือปฏิสนธิในคันของนางศรีมหามายาพระองค์ก็ไม่รู้ตอนนั้นเพราะพระองค์นั้นอยู่ในฌานสมาบัติและเวลาหนึ่งตอนที่พระองค์ประสูติตอนนั้นอ่ะหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวท่านก็อยู่ในสมาบัติอีกตอนหนึ่งคือพระาศาสดาตรัสรูปนุตรัสัมมาสัมโพธิญาณให้เปลี่ยนไปแล้วก็แสดงธรรมท่านไม่ทราบเลยเห็นไหมท่านท่านเกือบพลาดโอกาสในการตั้งพุทธบรารมีหรือโพธิญาณเนี่ย น, นะ เกือบเกือบพลาดโอกาสได้รับพยากรถ้าพลา ด, ดวันนั้นสติประฐานไม่เกิ ด, ดวันนี้นะีสมภิะฐานอิทิบาทอินทรียรพระรพุทธชงอราริมักจะไม่เกิดนะเพราะจะต้องยืดเวลาไปอีกใช่ไหมใช่นี่เห็นไหมถึงบอกว่ามหาในครั้งนั้นนะ่ยท่านก็เหาะไปนั่นแหละเห็นมหาชนเกิดความปีติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะนะ เขาก็ถามลงเหาะลงไปก็ไปถามบอกว่าท่านทั้งหลายแผ่วทางทางด้วยความปีติด้วยความศรัทธาเนี่ยเชื่อมถนนต่อถนนทำไปเพื่อใครพวกเขาถูกเราถามแล้วพระศาสดาก็เล่าก็ตรัสบอกว่าพระชินเนะจ้าตรัสพูดมีพระนามว่าทีปังกรไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่าเป็นผู้นำของชาวโลกเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกมหาชนแผ่วทางทำถนน ทำทางเชื่อมต่อไปเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพอท่านได้ยินคำนี้ยท่านอุทานเลยคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธเนี่ยเพราะอัธยาศัยคำว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฝังแน่นไว้ในกระมวลและสันดานของท่านอย่างรุนแรงแล้วอย่างหนาแน่นแล้วท่านอุทานที่ใช้คำว่าพุทโธปิวาชนังสุตวานาะ ปีเตอุปัจติตตาวดเดเพุทโทพุทธโธติธนยันโตสมนัสังปวเวทะยิงโห oh. ปลาโมตปีติปัสจิความสุขได้เกิดขึ้นแก่เราในขณะนั้นเพราะเราได้ฟังพระ น, นามว่าพุทธโธพุทธโธนามนี้ไพเราะมากเห็นไหยเรานึกอย่างนี้ว่า ตอนตอนเด็กเราได้ยินนะพระนามของพุทธเจ้าความรู้สึกเป็นยังงนี่จะได้รู้ไงว่าพุทธโธบางทีก็ไม่ไม่ซึมก็สู่ใจเราอันนี้คือการตั้งอัธยาสัยไว้ไม่แข็งแรงตั้งไว้ไม่แข็งแรงท่านผู้ที่ตั้งไว้ในแข็งแรงได้ยินคํานี้ก็พอแล้วปราโมดปีติปสัสสิษฐ ท่านประกาศความยินดีโสมนัสเรายืนในที่นั้นน่ปะปราบรื้มมีใจอัศจรรย์ดํารี่ว่าเราจาักหวานเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลไว้ในบุญญาเขตนี้ขอขณะนี้อย่าได้ล่วงเราไปเลยเห็นไหมท่านกลัวมากถ้าขณะนี้ผ่านไปนี่นะชีวิตผ่านไปก็ดีขณะแห่งพระเจ้าอุบัติเลยไปก็ดีใช่ไหมโอกาสขณะนี้นะหนึ่งเป็นมนุษย์เห็นไหมท่านได้แล้วท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก คือเวจีท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายท่านไม่เกาะไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าใบาบอดโง่หรือไม่ต้องไปเกิดเป็นอรูปภพมหรืออสัญญาสัตตพรมและท่านไม่เป็นมิจฉาทิฐีไงท่านบอกว่าขณะทั้ง8เนี่ยอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไปเลยขอให้ข้าพเจ้าประชุมได้ขณะที่9้าแบบนี้เรื่อยๆไปเถอะในสังสารวัตรขอให้ข้าพเจ้าได้ขณะที่9้าคือการได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาได้รับพยากรจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียทีเถอแล้วข้าพเจ้าปรารถนาตัทรุ่นนุตตะลส ม, มาสัมโพธิญาณเนี่ยขอให้สมปรารถนาเถอะเพื่อจะได้แสดงสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทพระลพโภชงอรอยิยมรรคเนี่นะเพื่อจะได้แสดงโพธิปักขีย์ธรรมเนี่ยประกาศเป็นทางเดินให้กับเวนัยยศาสเนี่ยเดินเข้าสู่อมตะมหาพรนิพพาน เครือสัตว์เหล่านั้นปลอดภัยจากชาติคือการเกิดชลาคือความแก่พยาธิคือความเจ็บป่วยแล้วก็มรณะคือความตายเสีทีสัตว์นั้นถูกชลาพยาธิทั้ทงหลายห้ามหันลุมล้อมอยู่ไม่สามารถหาหนทางออกได้ขอให้เราได้รับพยากรใช่ไหมฮะท่านบอกท่านจะปลูกมเมล็ดพันธุ์ไว้ในบุญาเขตบอกขณะอย่าล่วงท่านไปเนี่ยในคาสอนตรงนี้นะ ท่านถึงใช้คําว่าสังเวชนียะเนี่ยนะมาจากคาว่าสังวิขมาณโสในฉบับบางฉบับท่านแปลว่าสลดใจแล้วแต่ในคําสอนในที่นี้ในชั้นของอัจถริยพุทธวงศนะ์น่ยท่านใช้คําว่ามีใจอัศจรรย์แล้วมาจากคาว่าสังวิขมาณโสติปิติวิมหิตามาณาโส สังวิฆะมานาโสมีใจอศัศจรรย์ก็หมายความว่ามีใจเกิดขึ้นด้วยอํานาจของปราโมทปีติปัสสธิและก็ความสุขศรัทธาในใจของท่านโลดแล่นแล้วตอนนั้นท่านมีความเด็ดเดี่ยวด้วยเชื่อมั่นต่อสัตทยวทัตถุคือพระผู้มีภาคเจ้าและมีความเด็ดเดี่ยวที่จะสละกายและจิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาปรารถนาเป็นพระเจ้า ท่านก็เริ่มขอส่วนแบ่งในการที่จะแผ่ถางทางนแล้วท่านก็อุทานพุโทโธพุธโทโธเนี่ยพะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ทุกขณะที่ปัดที่กวาดที่เก็บก้อนหินที่ทําทางไปท่านอุทานปีติปลาโมดปฏสธิเกิดขึ้นกับท่านตลอดท่านอุทานเรียกพระนามของพระบรมศาสดานะว่าพระบรมศาสดาเสเด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ท่านก็บอกตอนนั้นหวนทางของเรายังทำให้เสร็จพระชินเจ้าผู้เวณมหามุนีพระทีบังกรพูทธเจ้าเนะี่ยพร้อมได้พระขีนาศพหนึ่งแสนรูปเนะี่ยทรงอภินยาหผู้คงที่ที่ปราศจากมนทินสเสด็จ ด, ดำเนินมาสู่หวนทางนั้นการต้อนรับดำเนินไปอยู่กลองดนตรีเป็นอันมากก็กึกกล้องขึ้นมูเทวดาและมนุษย์เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นเทวดาทั้งสองพวกประนมมือตามสเส ด, ดพระทศวรรยานแล้ว ทวยเทพประคมดนตรีนะเป็นไปในอากาศแม้มนุษย์ทั้งหลายก็บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นเมื่อเรานอนอยู่บนพื้นทั้งก็พิจารณาบอกว่าส่วนเราท่านบอกว่าเรามนุษย์ผู้เดินตามบนพื้นแผ่นดินต่างก็บูชาด้วยดอกจำปาดอกสนดอกประดูดอกกระทิงดอกบุญนาคดอกกร ะ, ระเกตทั่วที่สาณุทิศ ส่วนเราสยายผมออกแล้วท่านใช้คำว่าเกเสมุนจิตวาหังตัดถะวากรจีรันจะจำมากังเป็นต้นบอกว่าแล้วก็เปลืองผ้าคากองและหนังสัตว์ไว้บนเปลือกตมแล้วก็นอนคว่าลงแล้วก็ดำหลีว่าขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเยียบเราเสด็จไปพร้อมกับเหล่าสาวกสี่แสนลูก พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกอย่าได้เหยียดเหยียบคมคนตมเลยการเสด็จไปอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแกเราจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แกสัมมาสัมโพธิญาณแกเราจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แกการที่เราจะแสดงสติปัฏฐานสมปัติฐานเป็นต้นเห็นไหมเนี่ยท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้พอท่านนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินเป็นต้นเหล่านั้นแหละสรุปก็คือว่า หากเราปรารถนาอยู่ก็ทำลายกิเลสได้การรู้แจ้งได้เพศที่บุคคลที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรเราจะบรรลุสัพพัญญุตญาแล้วจะเป็นพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกตรงนี้ในวันนั้นน่ะถ้าเรามาสืบค้นดูนะว่าถ้าเราดูประวัติของปุพพาริยาของพนางยาโสธราเราจะเห็นว่าวันนั้นน่ะท่านทั้งสองทำอะไรกัน แล้วทำให้รายได้สัมมาสัมโพธิญาณพระนางยาโสธราเถรีอ่ะท่านมีฤทธิ์มากมีปัญญามากตอนนั้นท่านมีภิกษุณี 1,000 กะร้อยร้อยองค์แวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายพิวาตพระบรมศาสดาแล้วแล้วก็ลายลักษณะกงจักรของพระศาสดานั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลพระบรมศาสดานะ บอกว่าม่อมชั้นตอนนี้อายุ78ปีแล้วแปลว่าอะไรนางยาโสธราเนี่ยอายุ78ก็เท่ากับพระศาสดาตอนนั้นร่วงเข้าประชิมเอไว้แล้วถึงความเป็นผู้มีกายคลอมลงแล้วความแก่ง่อมของอินทรีย์เนี่ยค้ำค่า หม่อมชั้นขอากราบทูลลาพระมาหาโมนีหม่อมชั้นมีวัยแก่มีชีวิตเหลืออยู่น้อยจกักจากพระองค์ไปหม่อมชั้นกระทาที่พึ่งของตนเองไว้เรียบร้อยแล้วในเวลาอันเป็นปัจฉิมวัยความตายได้ปิดล้อมไว้แล้วคือบท่านบอกท่านจะท่านจะตายคืนนี้แล้วท่านจะนิพพานคืนนี้แล้ว แต่การตายของเธอของของประนางเป็นการตายแบบไม่หลงเหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยตายยังมีความหลงอยู่ล้วก็ปฏิสนธิแต่นางบอกว่าข้าแต่พระมหาวีราจ้าหม่อมฉันจักปรินิพานในคืนว น, นี้ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันไม่มีชาติคือการเกิดไม่มีชาาพญาทิและมรณะก็ไม่มีชาติชาาพญาทีมรณะแล้ว หม่อมชันจะไปสู่บุรีคือพระนิพพานอันไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายและไม่มีภยัยไม่มีปัจจัยคือกรรมจิตตัวฐานรปชุมปุงแต่งแล้วข้าแต่มหาโมนีธรรมดาบริษัทที่เข้าไปเฝ้าพระผู้เมียพระภาคเจ้ารู้ตนว่ามีความผิดรู้นะว่าตนเองมีความผิดต่อพระผู้เมียภาคเนี่ยเกงทูลขอโทษ ต, ต่อหน้าพระพักของพระองค์ข้าแต่พระมหาวีราจ้า หม่อมชั้นขอกราบทูนว่าเมื่อหม่อมชั้นท่องเที่ยวไปในสังสารวัตหากหม่อมชั้นมีความผิดพลาดทั้งในพระองค์ขอพระองค์โปรดยกโทษให้หม่อมชั้นด้วยเถิดเรามานั่งหลับตาเนาะพระศาสดาสร้างบา ร, รมีมาเสียสงไข่ย20สประสงไขถ้ายังไม่ได้รับพยากรเชื่อไหมเราบัุสลายพระโพธิสัตว์ไปลูกกี่ครั้ง เราเคยนึกสำนึกไหมโอ้โหบาปรกรรมที่ทำไว้แล้วกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่ไงโทษที่ทำให้เราหลุดจากช่องทางของอริยมรรคเนี่ยหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือไปตำหนิผู้มีพระคุณเขาเผู้ผู้ผู้มีคุณธรรมคือโพธิญาณไว้ในใจเขาเตรงนั้นพระบรมศาสดากล่าวกับพระเทรีได้ตรัสพระดำรัสว่า เมื่อเธอจะบอกลาปรินิพนานนี่นะบอกเธอเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนของเราเธอจะบอกลาปรินิพานแตถาคตจักไม่ว่าอะไรให้มากบอกว่าเธอจงตรัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงในาศาสนานี้เธอบอกตัดความสงสัยเสียว่าทําไมเธอจึงต้องสร้างบา ร, รมีคู่กับเรามาอย่างนี้ ตัดความสงสัยสิพระนางก็บอกว่าข้าแต่พระมหาวีระหม่อมชั้นชื่อยโสธรายังอยู่ครองเรือนเป็นประชาบดีของพระองค์เกิดในสากะยะตระกูลตั้งอยู่ในองค์สมบัติของหญิงข้าแต่พระมหาวีระบรรดาหญิง1 0 9 6 0 0นางหม่อมชั้นเป็นประธานของหญิงนั้นเป็นใหญ่กว่าหญิงทั้งปวงในพระราชนิเวศ ข, ข, ของพระองค์ นารีทั้งมวลสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและอาจารสมบัติแม้ดำรงอยู่ในวัยสาวย่อมเคารพหม่อนชั้นทุกเมื่อเหมือนพวกมนุษย์เคารพเทวดาฉะนั้นนางมีบริวารมากตอนที่อยู่กับพระศาสดาตอนสร้างบารมีในสาขยาตระกูลนาลีทั้งมวลมีรูปสมบัติและอาจารสมบัติแล้วก็หญิงเหล่านั้นแม้ที่เป็นเจ้านะจากเมืองต่างๆถูกส่งมานะห0นนางนะ เป็นประธานร่วมสุขร่วมทุกข์กันอยู่ในพระราชชเวิของสากยะบุตรปานประหนึ่งเทวดาอยู่ในสวนนันทวันเช่นั้นนอกจากพระองค์ผู้เป็นผู้นําของโลกแล้วเหล่าสตรีผู้ฉลาดผู้มีความรักเหลือล้อนผู้ตั้งอยู่ในรูปพระธาตุมีรูปเช่นเดียวกับหม่อมชั้นไม่มีเลยแปลว่าอะไรรู ป, ปากายของนางเนี่ยนะพระรูปของนางมีความงดงามกว่าหญิงเหล่านั้นตั้งแสนกว่านางเนี่ยนะนอกพระ ยะโสทาราเถรีอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแสดงฤทธิ์ถวายพระาศาสดาทำไมนางจึงแสดงฤทธิ์ถวายนั่นนางมาบูชาด้วยธรรมบูชาว่านี่ไงการที่พระนางนี่ศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในภระิยะสงฤทธิต์ต่างๆอภิญญาหกที่ได้ปฏิสัมพิทายันสี่ะ วิชา8ทั้งหลายเหล่านี้ที่นางได้มาเนี่ยเพราะได้มาจากการที่นั่งนางตั้งสัตทินรีย์ไว้ในการตรัสรู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนางปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระศาสดานั่นเองนางจึงได้คุณธรรมเหล่านี้ฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นคุณธรรมของพระศาสดามอบให้เป็นสมดัตสมบัติของพระศาสดาบัดนี้พระนางต้องการเอาสมบัติเหล่านั้นมาถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระศาสดาเป็นพุทธบูชาเขาจะ นางต้องการจะถวายศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนคุณถวายพระศาสดาวันนี้แหละนี่เป็นสมบัติของพระศาสดาที่มอบให้กับพระนางนางได้สมบัติเหล่านี้แล้วนางจึงได้อมาตามหาอิพทรีแล้วฉะนั้นบุคคลที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระศาสดาไม่มีนางมีฤทธิ์มีเดช ท, ทั้งหมดนางก็เลยถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อจะกราบทูลาพระศาสดาในวันนั้น แล้วหลังจากแสดงฤทธิ์อย่างมากมายเหลือนานัาประกาศแล้วนางก็ประกาศว่าฉันชื่อว่ายโสธราขอถวายบังคมบาทพ่อยุคนบาทพระบรมศาสดาแล้วใช้ดอกบัวบานปิดโลกธาตุไว้หมดเลยเห็นไหมทําไมปิดไว้ท่านบอกว่าโลกธาตุอย่าเพิ่งบูชาพระศาสดาเลยเพระนางขอเอาดอกบัวทั้งหมดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาครั้งสุดท้าย และเนลมิตรเป็นพรหมกําลังแสดงสุญยาตธรรมกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้มีพระจักสูตหม่อมชั้นชื่อยะโสธราขอถวายพระยุคนบาทพระบรมศาสดาหม่อมชั้นเป็นผู้ชํานาญในฤทธิ์ในทิพโสตและในเจโตปริยาญาณนะรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณด้วยแล้วก็ชําระเทพจักรขุญานมีอาสะวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วหม่อมชั้นหมดกามาสะวะแล้วภาวาสะวะทิฐาสะวะวิชาสะวะแล้ว อาสวะทั้งบวงหมดสิ้นในกำมลสันดานของข้าพระองค์แล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีการปฏิสนธิไม่มีอีกแล้วข้าแต่พระมหาวีระเจ้าญานในอัจญริานในธรรมญยานในรุติญานในปฏิปิฏพานก็คือว่าม่อมชั้นแตกฉันในอัฏฐะในธรรมะในนิรุติในปฏิภาณะเป็นสมิทางยานเกิดขึ้นในสํานักอะไรบอกว่า ปฏิสัมพิทายานทั้งสี่เนี่ยหม่อมฉันรับมาจากพระองค์อริยศรัพย์ประโยเนี่ยในสำนักของพระองค์ต่อหน้าเบื้องบาทพระาศาสดาหม่อมฉันรับปฏิสัมพิทายานทั้ง4ี่มารับมรดกเช่นนี้มานี่ไงบุญนางต้องการประกาศผลบุญเนี่ยว่านี่แหละที่นางเหน็ดเหนื่อยแสนจะลำบากยากเข็นมาสร้างบา ร, รมีคู่กับพระาศาสดามาเนี่ยนี่ไงเพราะนางปราถนางได้ได้ฤทธิ์เหล่านี้ ได้คุณสมบัติเหล่านี้นางจึงแทงตลอดการพบพระบรมสามมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์สเสด็จทรงสแสดงมาดีแล้วข้าแต่พระมาหามุนีหม่อมฉันทำอธิการเป็นอันมากเข้าใจคำว่าอธิการไหมหม่อมฉันต้องใช้ชันทะอย่างรุนแรงใช้วิริยะอย่างรุนแรง ใช้ขันติอย่างรุนแรงใช้ปัญญาอย่างมั่นคงกว่าจะมาวันนี้ไม่ใช่ได้มาแบบอ้อนวอนนะได้มาจากการบาเพ็ญเพียรแล้วก็ตั้งมั่นนะก็เพื่อประโยชน์ถามบอกว่าที่มีอธิการมากถึงเพียงนั้นน่ยที่ต้องระดมฉันทาวิริยะจิตเตาวิมังสาเดินบารมีทำคู่菩าสดามาในสังสารวัฏนะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แกพระองค์ เพื่อประโยชน์แก่การที่จะได้สัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมข้าแต่พระมหาโมนีขอพระองค์พึงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมชั้นเถิดกราบทูลวอนขอให้พระบรมศาสดาระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของพระนางหน่อยว่าพระนางกระทาอะไรบ้างและพระนางก็เริ่มสาธยายอดีตกรรมที่พระนางทํามาเพื่อเป็นการสร้างบรมีเบื้องบาทกับเบื้องบาทพระศาสดามาตามลําดับ ข้าแต่พระมหาวีราจ้าหมอ่อมชันสั่งสมบุญเพื่อประโยชน์แกพ่พระองค์ข้าแต่พระมหาวีราจ้าหมอ่อมชันงดเว้นจากอนาจารในสถานที่ไม่สมควรคแม้ชีวิตก็ยอมสละได้เพื่อประโยชน์แกพ่พระองค์เห็นหคือสิ่งที่ไม่สมควรทางกายอนาจารทางกายนางก็ไม่ทำนะทางวาจานางก็ไม่ทำอนาจารทางใจคือคิดไม่ดีทั้งหลายนางก็ไม่ทา เพื่ออะไรถึงต้องมาขัดเกลีวกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สะอาดให้หมดจดขนาดนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่สัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์ไงเพื่อประโยชน์แก่พระองค์นั่นแหละข้าแต่พระมหมาหวีระพระองค์ประทานหม่อมชั้นให้เป็นภรรยาของผู้อื่นหลายพันโกรธกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชั้นก็ไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยเรารู้เพียงแค่ว่าสละนางมสัสรีใช่ไหม แต่พระนางยืนยันแล้วเป็นไงว่าหลายพันโกรธกลับนี่ไงนี่ไงคำว่าสัมมาสัมพธนะิญาเนี่ยได้มาด้วยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากข้าแต่พระมหาโมนีพระองค์ประธานหม่อมชั้นเพื่ออุปการละแก่ผู้อื่นนะเพื่อจะให้เป็นที่อุปการะเป็นคนใช้เป็นทานเะนี่ยหลายพันโกรธกลับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชั้นก็ไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย ฆ่าแต่พระหมหาโมนีพระองค์ประทานหม่อมชันเพื่อเป็นอาหารให้เป็นอาหารเนี่ยหลายพันโกดกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันก็ไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยนี่คืออะไรเนี่ยให้สละภรรยาให้กับบุคคลอื่นสละให้เป็นทาสกับบุคคลอื่นแล้วก็สละให้เป็นอาหาร ก็บางคนม่อมชั้นก็ไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยม่อมชั้นเสียสละชีวิตหลายพันโกรธกับย่อมม่อมชั้นยอมสละชีวิตของตนเองด้วยคิดว่าจากทําพระองค์ให้พ้นจากสังสารวัตรของการเป็นพ้นจากสังสารวัตรพ้นจากสงชาติภัยชาลาภัยพยาธิภัยเมดนณะนภัยพ้นโดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้านะีไม่ใช่พ้นโดยฐานะอื่น หม่อมชั้นเสียสละชีวิตหม่อมชั้นไม่เคยห่วงเครื่องประดับเสื้อผ้านาน า, นาชนิดที่อยู่กับตัวและเครื่องใช้ของหญิงเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีทรัพย์เอ่ยข้าวเปลือกปัจัยเครื่องบริจาคบ้านนิคมไร่นาบุตรที่ดาหม่อมชั้นก็บริจาคแล้วถามว่าถ้าพระบรมศาสดาบริจาคบุตรเนี่ยนางบริจาคด้วยไหม <Okay. S 1> บริจาคทรัพย์ก็บริจาคด้วย คือพระพุทธเจ้าบอกอย่างไรในตอนสร้างบารมพรีพระนางไม่ขัดเลยต้องดูตอนพระเวนพระเวสสันดรด่ปรึกษาเบสเสร็จจะ ท, ทำนางไม่ขัดไม่ห้ามนนั่นแหละเพื่อสัมมาสัมปธียาช้างมาโคทาสีนางบำเรอมากมายนับไม่ถ้วนหม่อมฉันก็บริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ พระ อ, องค์ปรึกษาหม่อมชั้นว่าเราให้ทานแก่พวกยาจกเมื่อพระ อ, องค์ให้ทานอนุดมอยู่หม่อมชั้นไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยมนะข้าแต่มหาวีระเจ้าหม่อมชันยอมรับทุกมากมายหลายอย่าง น, น, นับไม่ถ้วนนะับไม่ถ้วนนื ในวัตฏะสงสารเป็นอนเนกก็เพื่อประโยชน์แก่พระ อ, องค์นี่มาพิจารณานะว่าเอ๊ะตอนนี้เราเราได้ทําอะไรบูชาพระเจ้าบ้างได้ทําบ้างไหมได้ทําสักนิดไหมเนี่ยพระนางบอกว่าหม่อมชั้นยอมรับทุกขอย่างมากมายอย่างนับไม่ถ้วนในสงสารเป็นอนเนกเพื่อประโยชน์แก่พระ อ, องค์ ได้มาสัมมาสัมโพธิญาณได้มาด้วยเลือดและเนื้อนะได้มาด้วยเลือดและเนือ้อและความเพียรอย่างอุกฤษใช่ไหมไม่ใช่ได้มาแบบไม่ได้สูญเสียหรือได้มาด้วยความสูญเสียด้วยความเจ็บปวดของคนมากมายเนะี่ข้าแต่พระหมหาโมนีหม่อมฉันได้รับสุขก็มีความยินดีและในคราวที่ได้รับความทุกข์ก็ไม่เสียใจเป็นผู้ยินดีในที่ทุกสถานเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมนะในแนวทางที่สมควรเสวยสุขและทุกข์จึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ